เหตุ น, นั้นจงตั้งต้นถ้ายายาเสียแต่วันนี้ขณะนี้ไปเถิดไฟไม่เรือนเธอทั้งหลายอยู่ไม่ศีรษะเธอหรือไม่ผ้าเธอทั้งหลายอยู่เธอจะบอกว่าวันพรุ่งนี้จึงจะดับมันก็ไมก่กันไปหมดบุญจะมีเท่าเม็ดงาขาเลื่อนกว่าตามเธอทั้งหลายอย่าประมาทเนะ้อถ้าทําอยู่บ่อยๆก็สามารถจะมากขึ้น เหมือนฝนตกลงมาที่เราเรียกเรนอทำให้แผ่นดินชุ่มกุศลผลบุญคือความดีสุดจะดิตทำที่เธอทั้งหลายทำใจของพวกเธอก็นับวันจะสูงขึ้นนัเธอประกอบแต่ความชั่วใส่คิตใส่ใจของเธอใจของเธอก็นับวันจะต่ำลงโดยไม่รู้ตัวอีกด้วย สิ่งที่ดีที่ช่วยเราะถาคดบอกไว้แล้วเพราะท่านทั้งหลายไม่ต้องปัญหาดอกเหมือนอาหารที่หามาแล้วจงล่างมือเปิดเถิดค่ายกัาพูดอย่างนั้นทำแต่ละบทระบาทของพระบรมาชารีดาค้ายเกับ่าองค์ท่านเรียกอยู่มาอเถิดลูกหลานเอ๋ยที่นั้นวุ่นวายที่นั้นขัดข้อ มานี่เถิดไม่หุนวายไม่คัดข้อคละแค่กับเรียกอยู่ไม่มีกราวยยันกางคืนธรรมะแต่ละบทละบาแต่พวกเราโดยมากทำหูไปนาทำตาไปเถื่อนเชยผู้ปฏิบัติุทธศาสศนนัตเป็นคนเคะเป็นคนล่าชชาไมพูดไม่มองดูตัวเสียด้วย มันหมดสมัยแล้วมันก็ไม่หมดสมัยตั้งแต่ข้าฟันรันแทงกันนั่นแะเอออยู่ทุกยอมย่ามันถือเป็นของสมัยทันสมัยอนั่นข้างพระพุทธการหรือพระบรมศ า, ศาสดาผู้ทันสมัยก็คือผู้ปฏิบัติสินธรรมเท่านั้น ผู้ทำมาหาเรื่องชีวิตในทางที่ชอบเท่านั้นผู้ปฏิบัติสินธรรมเท่านั้นผู้ทันสมัยผู้รู้จักสมยัยแต่ทุกวันนี้มันตรงกันข้ามเสีเยแล้วของหลวงของทุกๆ ท, ท่านที่เรียกว่าของรัฐบาล มันก็ให้ควรให้เกียรติให้ยศของพระพุทธศาสนาสูงกว่าของภายนอกนับแต่จีวันมินทบาทเนาสนาชนะและเพศัศของหลวงของทุกๆ ท, ท่านทุกๆคนก็ควรให้เกียรติให้ยศของพระพุทธศาสนาเป็นของที่มีค่ากว่าเช่นต้นไม้ภูเขาก็ดีที่อยู่ที่อาศัยก็ดีตลอดเครื่องดู่เครื่องใช้เครื่องดื่มเครื่องฉันก็ควรให้ ของหลวงพระพุทธศาสนามีติดกว่าให้มีคุณค่ากว่าผ้าต่อผ้าอย่างนี้ก็ต้องเคารพผ้าพระพุทธศาสนามากกว่าจะไปเหยียบไปย่ำเขาไม่ถูกจะเอาไปผ้าเช็ตูดมันก็ไม่ถูกผ้าคารวาที่เขาขาแเรีกเช็ดตูดพอเช็ดอยู่ผ้าพระพุทธศาสนาไม่ควร หนังสือธรรมะก็เหมือนกันเอาทิ้งลงในกระโถนหลวงปู่มันม่นมาให้ทิ้งเลยหนังสือใดๆก็เหมือนกันหนังสือต่างชาติหลวงปู่มันม่นมาให้ทิ้งลงในกระโถนบอกว่าหนังสือแต่ละชาติสามารถจารึกคําสอนของพ่อปรมศารคดาได้ถ้าพูดอย่างนั้นหลวงปู่มัน่นท่านเคารพที่สุดเหตุฉะนั้นมันก็เห็นกับชาติ เมื่อท่านสิ้นลมปาแนแล้วใครๆก็อยากเป็นลูกศิษย์ของท่านแย่งกันจะเลยนั่นเพราะเขารบเห็นเห็นกับชาติเหมือนกันการเขารบนี่ทำดีก็เห็นกับชาติทำชั่วก็เห็นกับชาติตอนไหนเราทำดีเราก็เห็นกับชาติตอนไหนเราทำชั่วเราก็เห็นกับชาติมันส่งมาเหมือนกัน เมื่อก ร, รมและผลของกรรมมีอยู่ก็ไม่ควรว่าพระพุทธศาสนาเป็นของฟื้อหรือเป็นของไม่จำเป็นอายุวนโนสุขังพลังเป็นคำให้พรของพระพุทธศาสนาอย่างยอ่อถ้ามันมีพระพุทธศาสนาแทรกแซงอยู่ในโลกนี้แล้ว เสียงระเบิดลูกปรมาณูเสียงนิวเคลียร์เสียงสาบเสียงแข้งจะ แ, แทนเสียงสวัสดีจะกำเริบกว่านี้กำเริบกว่านี้เราอ่านเป็นกำเริบหรือกำเริบก็ไม่ทราบบางท่านก็ได้ยินพูดว่ากำเริบบางท่านก็ได้ยินพูดว่ากำเริบแต่เราก็อ่อนภาษาอันนี้ ทุกจะนํามาให้ก็เพราะประพฤติดีทุกจะนํามาให้ก็เพราะประพฤติชั่วตอนไหนที่ทําไม่ถูกมันก็นํามาให้ตามมาหเห็นกับชาติเลยรู้ตัวเองแล้วทุกวันนี้ตอนไหนที่ทําไม่ถูกให้ผลทันตามากับชาติเลยตอนไหนที่ทําถูกก็ให้ผลมาทันตากับชาติเลยไม่ต้องว่าชาติอื่นละ เมื่อชาติเดียวก็ยังเห็นอย่างนี้ชาติ ก, ก่อนมันก็ยิ่งมากที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ก็เพราะสร้างความดีไว้ในชาติก่อนบ้างท่านผู้เข้าสู่พระนิพพานแล้วน่นมันเหนือบุญเนื้อบาปไปแล้วเพราะบาปก็เว้นพอเลยบุญก็สร้างพอแล้วก็เลกไม่มีทางไปก็เข้าสู่พระนิพพานเท่านั้นความดีก็สร้างพอแล้วเนื้อความชั่วไปแล้ว ไม่มีที่ไปก็ต้องเข้าสู่พระนิพพานเป็นธรรมอันไม่ตายไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บไม่ตายเราอยากเกิดแก่เก็บตายหรือเราจึงไม่ยินดีในพระนิพพานมีปัญหาซ่อนอยกเหมือนกันเกิดมันเป็นสุขไหมแก่มันเป็นสุขไหมเจ็บเป็นเป็นุขไหมตายมันเป็นสุขไหมรินลนชักงอนั่นถ้าเรายินดีในเกิดแก่เก็บตายก็เ ร, เรียกว่าเราไม่ยินดีในพระนิพพาน ที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เก็บ ไ, ไ, ไม่ตายเป็นสูงยิ่งกว่านี่มีอยู่จนหาที่เทียบไม่ได้ถ้าอย่างนั้นก็วาสนาของเราไม่ถึงวาสนาของเราก็จะถึงแต่เกิดแก่เก็บตายก็ถึงแต่ทุกข์นะัโลภมีเท่าใดโกรธมีเท่าใดหลงมีเท่าใดเราจะเรียนวิชาให้เห็นโทษเราจะเว้นมัน จะพยายามเว้นมันไม่นอนใจแข้าก็ว่าเรี่ยงงูเห่าไว้กัดตัวเราจะไม่เรี่ยงงูเห่าไว้กัดตัวทีนเราจะไม่เรี่ยงสนิมไว้ให้กัดินจิตกินใจจะพยายามเป็นโทษในเรื่องสนิมโรกโกรธหลงตาไมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาววิตก ถมันมีกามมีตกพยาบาทมีตกวิหิษสาวิตกความเบียดเบียนในกิตในใจของสัตว์ทั้งหลายแล้วสัตว์ทั้งหลายก็นอนหลับไม่สะดุ้งผาวาเพราะมันมีเวรอยู่รอบข้าเพราะพุทธศาสนาทำหมั่นอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องทําอีกก็ได้พิสูจสามเวรตั้งหลายแสนหลายหมื่น ถ้าจะพวกรานี้ออกไปทําไร่ไถนาหมดจะได้ที่ดินที่ไหนมาให้จะได้ที่ไร่ที่นาที่ไหนมาให้จะได้รถที่ไหนมาให้พอลูกเอ๋ยแล้นเ อ, อ๋ยจะเกิดมาอีกเนี่ยเรียกพุทธศาสนารรมมันอยู่แล้วผู้ที่กิเลสน้อยก็ไปสวรรค์บ้างนิพพานบ้างพร ม, มโลกบ้างผู้ลงนรกก็มีผู้ไปเป็นสัตว์ ท, ที่ดิบชัานก็มีแบ่งแยกแล้ว เพราะกรรมและผลของกรรมแบ่งแยกให้ถ้ า, าว่ามีแต่ผลของกรรมที่ชั่วไม่มีผลของกรรมที่ดีสัตว์ทั้งหลายก็จะมาสนองแต่ความชั่วกันในใจโลกทานยิ่งจะทุกข์ทวีกว่านี้กรรมและผลของกรรมสนองผู้ทําดีบ้างสนองผู้ทําชั่วบ้างแยกกันอยู่แล้วเรียกกระแบ่งแยกอยู่ในตัวแล้ว พระพุทธศาสนามีชั้นวันละหรือไม่แผ่นดินมีชั้นวันละหรือไม่ที่ไหนสูงทําประโยชน์ไม่ได้มันก็ต่ําอยู่ในตัวของมันที่ไหนต่ําเกินไปก็เป็นทะเลที่ไหนเป็นหินเฉ ย, ฉยที่ไหนเป็นธาตุของทองคําหรือดีบุกหรือเพชรนินจินดา ท่าดินเหมือนกันที่นั่นก็ต้องมีราคาเพอมันตั้งมันเองบิดามารดากับบุตรตีเสมอกันได้ไหมใครเป็นผู้ตั้งให้บิดามารดาก็เป็นบิดามารดาเต็มภูมิคุณนวุฒโธวัยวุฒโธไม่อยู่แต่ไหนมาเช่นปวกมดมันก็มีแท่นวันนะตามยศถาบรรดาศักดิ์ของมันเช่นท่านนายอำเภอ จะไปตีคุณค่าเหมือนประชาชนมันก็ไม่ถูกเหมือนลูกบ้านมันก็ไม่ถูกวิเกียรตอยู่ในตัวแล้วมูลค่าใบละห้าสิบาทใบละพันบาทใบละห้าร้อยบาทอันไหนมีค่ากว่ากันก็มีตามฐานะเพราะแต่งแล้วเล็กชุกไม่ขึ้นเล็บแข็งเล็บเหนียวมันมีคุณค่าของมันอยู่แล้ว ถ้าตีเสมอภาคกันก็ต้องตีราคาขายเสมอกันบิดาก็เป็นบิดาเต็มภูมิมนราก็เป็นมาราเต็มภูมิจะไปว่าสหายหมดไม่มีขอบเขตมันก็ไม่ถูกเตะก้นแล้วก็เขยหัวเล่นมันก็ไม่ถูกต้องห้เกียรติยศแผ่นดินก็มีที่สูงที่ต่ำเหมือนกัน ต้นไม้ก็มีที่สูงที่ต่ำเหมือนกันและมีราคาต่างกันด้วยเช่นไม้สักก็มีราคาสูงไม้ประยูงก็เหมือนกันไม้แต็งไม้รังก็เหมือนกันไม้ไผ่น้ำหนักเท่ากันก็ไม่มีราคาเท่านะมันเป็นของมันเองแล้วมันมีใครไปแตะพระพุทธเจ้าก็เป็นพระพุทธเจ้าอย่างเต็มที่สาวกก็เป็นสาวกอย่างเต็มที่ คุณสมบัติแก่งให้เองแล้วเรียวกว่า บ, บัญญัติตามเป็นจริงเสมอภาคกันเป็นบางอย่างพือแก่เก็ตายเสมอภาคกันจะตายหนุ่มตายสาวกว็าตายเสมอภาคกันจะตายก่อนตายหลังก็าตายเสมอภาคกันหรือแก่เสมอภาคกัน แต่ความเป็นจริงก็ไม่มีใครจะตายก่อนตายหลังใครถ้าเราว่าเราตายก่อนเขาแก่ก่อนเขาผู้แก่ตายก่อนเราไปแล้วก็มีมถ้าว่าเราทีหลังเขาผู้ทีหลังเราไปอีกก็มีนันนโวนอยู่อย่างนี้น่นอันนี้เป็นความจริงของทางปรมาจารย่ฟปารบ ก, ก็หมู่เพื่อนป้ารบมาก ภาวานาแต่ตนคนเดียวไม่ได้มากเอานิศเดียวท่านแต่ว่าติดต่ออยู่ภาพรมวมหให้แกเข้าในปัจจุบันท่า น, นเพราะสิ่งอื่นๆมันดูดมาในปัจจุบันแล้วเช่นเราเห็นทุกข์ในปัจจุบันทุกอดีต ท, ทุกอานาคตมันก็ดึงมาแล้วมารวมอยู่ที่นั่นแล้วเช่นเราเห็นอันนี้จังชัดในปัจจุบันอันนี้จังในอดีตอานาคตมันก็ดึงมาแล้ว ถ้าเราเห็นอนัตตาทําจิตแห้ว่าเป็นเจ้กว่าจิตไม่ใช่จัดไม่ใช่บุคคลอย่างนี้ในอดีตอนาคตก็ดึงมารวมแล้วในใจโลกก็ชาก็ดึงมารวมแล้วเพราะไม่ละเอียดดีนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่สิ่งความสงสัย <c oughs> ที่เราพูดกันไปอยู่นี่พูดมากๆ ม, มันก็เป็นวจีสังขารกิตตสังขารเท่านั้นไม่ใช่อันอื่น เกิดขึ้นแง่ก็แฟปวนและแต่สลายเหมือนกันคําพูดนี่พูดขึ้นคําใหม่ก็เป็นอีกรอบใหม่จิตรูปอันใหม่ก็เป็นอีกรอบใหม่ความเป็นจริงก็รอบเก่าของมันที่เคยรอบมาแล้วนั่นนิสธรรมูธนันตูเมื่อกิดยังมีรอบโกรธหลงอยู่ฉไนจะได้เห็นพระเนปพานเออ ยกกุ้ตาหอนเหมือนเต่ามันขึ้นน้ำก็เป็นลงบกลงบกก็เป็นถ้าไปเล่าให้ปลาฟังปลาก็บอกเทียบเคียงแต่ในน้ำเหมือนขอนไม้ที่อยู่นั่นหรือไม่เหมือนตมเหมือนโคนอยู่นั่นหรือไม่เออเหมือนจอกเหมือนแหนยอยู่นั่นไหมเออ ข, ขั้นไปขึ้นขึ้นไปข้างบน ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เตาพระละหันพวกพระละหันพูดกับเราก็เหมือนกันเพราะเรายังมีกิเลสที่ยวเที่ยวอยู่แต่ในกิเลสท่านออกจากกิเลสไปแล้วท<ม>่านพูดเราก็ไม่เชื่อีีนเกลือเค็มขนาดไหนเค็มขนาดนั้นเค็มขนาดนี้ถ้าไม่เชื่อก็ลองจิฟตดูจิฟตดูก็รู้จัก<ม>แล้วจะไปถามอยู่เฉยๆเราไปกิฟตเกลือมันก็ไม่รู้จักรสเค็มชั้นใดก็ดี เราจะไปเรียนแต่คำพูดเฉยๆเราไม่ปฏิบัติมันไม่ไม่รู้จักรถธรรมเหมือนชอดที่ตักแกงวันยังคำมันก็ไม่รู้จักรถแต่ลิ้นนิดเดียวท่าน่านรู้จักแล้วละอันเดียวกันเรื่องเหล่านี้กรรมให้ผลเป็นลำดับกรรมให้ผลในพุทธสื่อ กรรมให้ผลตามจิตที่ทําในทางดีในทางทางั่วตามจิตให้ทําก็มีที่ทําก็มีกรรมให้ผลสําเร็จแล้วมันมีแต่พระรหันต์เฉพวกเดียวเรือ่องนั้นอกรรมตามทันหมดพระรหันต์ถึงกรรมเก่าจะตามตามท่านมาทันก็ตามแต่มามันก็พบแต่เรือนร้างเช่นพระโมกคันลานะกรรมของท่านท่าน ดำดินบินบนได้ถึงอย่างนั้นก็เวลาท่านเข้าสู่พระนิพพานสิ้นลมปลายก็ค้อนโจรเข้ามาตีพระบุพกรรมของท่านนะเคยได้ทำผิดพระมารดากุศลอันนั้นก็ตามมาทุกชาติทุกพบทีนี้เมื่อตลอดถึงชาติเป็นพระอรหันต์เนท่านในยึดถือในรันห้าของท่านนี่ย มาฆ่ามันก็ตายแต่เฉพาะขันห้าหรือรูปขันนามขันแตกสลายเท่านั้นส่วนจิตใจของท่านเหนือไปแล้วท่านก็เข้าสู่อนุปาทิเสสานิปานจะเรียกว่ากรรมตามทันของท่านแต่ขันห้าก็ได้ไม่ทันธรรมะของท่านเชื่แล้วธรรมของท่านถึงทำอันไม่ตายแล้วแต่พวกเรามันตามมามันก็ทันหมดได้ทั้งเขาทั้งหนัง เพราะเห็หุใดเพราะคิดเองเพาพวกเรามีอยู่คอยรับเขาที่นี่มีข้าราชการคนหนึ่งเขามีชิ้นห้าบอริบูลราชการคนนั้นอยู่อุดรธานีชื่อจานผาทาแก้วมูเพื่อน คนดื่มสุราท่านไม่ดื่มเออผมงดมานานแล้วหมู่เพื่อนก็เอาโซราเทรถหัวท่านก็พยายามคมโกรธกำหนดลมให้ใจเขาออกเจริญพุทโธที่นี่หมู่เพื่อนเทไปหลายคนหลายคนปยุยหักหมดเสื้อผ้าเทรถหัว ท่านก็ไม่โกรธท่านอดเอาทนเอาแต่พอมาถึงวันใหม่มาไปทำงานในโรงในศาลด้วยกันถามท่านกท่านก็พูดกับเขาดีๆอยู่ดูว mm ่า hmm. รูว่าเพื่อนไม่ทำอะไรท่านไม่แสดงอาการผูกเวงเลยไม่ผูกโกรธไม่มีอุปนาหาผูกโกรธท่านอดทนเอา อยู่มายูมามเพื่อนเออคนคนนี้เป็นคนนป่าชเกิดเลือรอนเองก็เลยพากันไปทำวัดท่านทำวัดท่านกราบลงที่เท้าท่านก็บอกว่าไม่ให้เพื่อนเป็นบาปเป็นกรรมอะไรดอกเพราะกิดใจของเพื่อนอยู่ในระหว่างนั้นแล้ว ผมก็เป็นจิตใจอยู่ใ น, นระหว่างเป็นคนร่างระหว่างแล้วผมก็ไปเอาเรืองกับเพื่อนก็ให้แล้วกนไปเสียนะผมไม่ผูกเวรผูกภัยกับเพื่อนหรอกขอให้เพื่อนมีความสุขความเจริญนติมเถ็มผมก็จะถือเป็นมิตรเป็นสหายอย่างเดิมแต่ถ้ว่าในเรื่องซุานี่ผมได้งดทแล้วหมู่เพื่อนก็อย่ารบกวนท่านั้นขออย่างวอนท่านก็เลยเป็นมิตรเป็นสหายกันไปพวกนั้นเห็นโทษของตนก็เลยไปกราบท่าน เขานั่นก็เป็นนักปาาเหมือนกันะไม่ใช่ไม่ใช่คนผ่านพวกนั้นรว่วตนผิดทีนี่อยู่มาอยู่มาภรรยารักใจกับชายคนหนึ่งพี่เขาขี่หึงทีนี่ก็พาพาชายชู้เอาหน้าไม้มายิง ยิงถูกที่คิ้วเนี่ยถอนออกถอนออกเาเลือดพุ่งออกเขารู้จักคนทั้งหลายในหมู่บ้านเขาบอกว่าจะฟ้องจะเป็นพยานให้ที่นี่ตัวแกเขาก็รับสารภาพนะไงเขาก็ว่าเขายิงเอง เดีเออแล้วไปถ้าหากว่ามาก่อกันใหม่ก็ให้แลกกันไปเสียชาตินี้เนอะถ้าหากว่ามาเก่อเก่าก็ให้เรียกแลวกันไปเสียชาตินี้นนถ้ากว่าเป็นเวรเป็นกรรมใจชาติก่อนสําหรับผมก็ไม่เอาเรื่องอะไรกับคุณให้แลกกันไปซะชะลอยชาติแต่ฟังก่อนผมจะทําท่านก็าอาจเป็นได้ผมก็มองไม่เห็น พอมาถึงสถา น, นีแล้วใครทําก่อนทําหลังก็าตามเขาให้แล้วกันไปชนเชนอูแล้วภรรยาของผมผมก็จะมอบให้ท่านาให้ท่านเอาไปซะลูกสองคนจะแบ่งให้ผมผมก็จะเอาหรือจะไม่แบ่งจะให้หมดผมก็จะเอามอบให้เลยมอบเห้ ก, ก็ไปไปอยู่กินกับกันทีนี้่วนพัวของมัน ที่มันได้พวาหมา่มันก็นึกถู่เหมือนกันเออทั้งนีของเขาก็เป็นคนถึงศีนถึงธรรมขนาดนี้แล้วออลูปของเขาก็ช่วยพอได้อยู่มันยังมาเป็นใจกับเราถ้าคนอื่นมาเป็นใจกับมันมันก็จะเป็นไปอีกละมันก็นึกในใจความ่ชายแค่นนั้นไม่นานมันก็ทิ้ง ทิ่งเลยนะเอาใหม่พรายาคนนั่นจะมาคืนมาคืนหาท่านท่านก็บอกว่าสำหรับเจ้าน่มันเป็นปลาประมิตรแล้วไปกับข้าไม่ได้อีกดอกในชาตินี้ก็หยุดกันเสียพวกเราท่านก็ไม่เรียกเลอตกโกงก็เลยหมดปัญหานางนันกรดิ มันในเรื่องนี้มันค่ายกับอาจันย์ทัโหรบุตรท่านท่านองค์ไหนกคงเคยได้ยินถ้าทำดีจะตายทำไมไม่ได้ดีแล้วก็กรรมเก่าของเราก็มีอยู่ทุกทุกท่านทุกๆุกคนทีเดียวมันก็มีอยู่บ้างแต่มันก็ได้ดีอยู่ขนาดนี้เขาก็ยังเสียดายเรานั่น ล้วไปไหมเขาก็ยังเสียดายเรานั่นก็เป็นกรรมดีของเราแล้ว mm hmm. เป็นผลของกรรมดีเขายังจะเดินขบวนเเราคืนไปอยู่นั่นเขาไมา่ยอม mm hmm. แล้วจะค้าดีที่ไหนอีกสินเป็นดีแล้ว กรรมในผลของกรรมมันไม่จบกบเสียง่ายจนชาติเข้าสู่พระนิพานมันตามมากรรมที่ทำดีก็ตามมากรรมที่ทำชั่วก็ตามมาเห็นกับชาติเลย ก็ผลของกรรมที่ได้ให้เป็นนายอำเภอเพราะทำดีมาแล้วทำไมถึงว่าท ำ, ทำดีไม่ได้ดีก็ผลของกรรมที่เรียนหนังสือเก่งที่มีความดีแล้วก็ได้เป็นนายอำเภอตลอดทึกสูงขึ้นไปอีกจนะว่าไม่ได้ดีท ำ, ทำไมก็ได้ดีอยู่อย่างนั้นแหละในทางโลกของเรา อย่ากเปลี่ยนไปสูงมันลําบากขนาดนั้นพอแล้วมันก็หน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันล่ะประการกระทรวงพอดีหรือถ้ารัฐมนตรีก็หน้ามือเป็นหลังมือเท่านั้นแหละบางทีไม่พอกี่วันก็ไปกันบางทีไม่พอกี่วันก็ไปกันทุกวันทุกวันเนี่ยมันอิจฉาริษยากันคนในโลก มันเรือนจะวิชาอิจฉานิทยากันวิชาสมารมิตไม่ค่อยมีทุกวันนี้มีแต่มวิชาแตกเล้ากันวิชากระเป๋าตัวเองผู้ที่เห็นแก่กระเป๋าตัวเองเราไม่เห็นแก่กระเป๋าตัวเองเราก็ยอมถูกแพ้เขาเช่นก่อน<ม>พระบรมศาสดา ย, ยอมถูกแพ้เขาทางนั้นมาในภพไหนชาไหนแต่ว่าเวลากับชนะไม่กลับมาแพ้อีกนะสีนี้ กำไรของชนะก็เลยเป็นพระสมมาสัมพุทธเจ้าเกิดพบได้ธาตุไดก็ยอมถูกแพ้เขาฉะนั้นเราทําดีแล้วไม่ได้ดีเออเอาเถอะผลทางหน้าต้องไม่อีกเราทําดีตะพึดตะพึดตะพึด ท, ที่นี้ผลมาให้ก็เลยได้เป็นสมาสัมพุทธเจ้าของเราได้กราบได้ไว่าอิฐปูนอยู่ไม่ได้กราบว่าอิฐปูนหรอกไหวพระคุณของท่าน พ, พระพุทธพระระสงค์อยู่ที่ใจของเราแล้วน่ามาที่ใจเราทําดีก็คือใจเป็นผู้ใดดีแล้วทำชั่วใจเป็นผู้ใดชั่วเหตุอยู่ที่ใจผลอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเหตุดีก็อยู่ที่ใจเหตุชั่วก็อยู่ที่ใจผลดีผลชั่วก็อยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นแล้วอย่าไปมองเพียงแค่เพียงแค่อมิตรเท่านั้นมองพระพนะุทธศาสนามองด้วยธรรม ถ้าอา m i t ไม่สมประสงค์เราก็จะว่าไม่ได้ผลมันก็ไม่ถูกอือัตมาเองในลูกพ่อนี่แม่นี่นาก็ไม่ได้กับเขาอืโครวกระบือก็ไม่ได้กับเขาถูกแพ้เขาวิดามาดาแบ่งให้ก็ให้พี่สาวหมดตามทุกตามยาของเราแต่เดี๋ยวนี่เขากลับมากราบไหว้เสร็จแล้วชนะเขาแล้ว นี่เพียงบาทกับจีวรชนะชนะเขาแล้วนราจะว่าเราถูกแค่เขามันก็ไม่ถูกเราชนะเขาแล้วชนะวงตะกูลก็ไม่มีอะไรจะจะสั่งดอก สั่งคำคำหยอกย้าของท่านก็สั่งแล้วบอกว่ า, าได้ทัศคุณแล้วไปวินทบาทระวังสุนัขเขาให้ดีเนอ้อเดีย๋ยวไปเหยียบมาน้อยก็ตายเนอ้อ <c oughs> หยอกท่านแล้วตอบแล้วเขาตอก40ข้างล่างเออหมาอตอบแล้วครับอำชี้ <c oughs> ภายเขาบอกเรามาสาธศาณะ เป็นฐานเองไม่มีใครได้หรอกแต่คุณได้มานี่ก็ไม่เท่าที่เสียไปถูกไหมน่ะไม่เท่าถ้าอย่างนั้นจะว่าได้ยังไงไม่ว่าแต่เท่านั้นล่ะบาทหนึ่งจะให้ถูกบาทหนึ่งจะให้ล้านบาทก็รอยทะเลเลือด ก, กันในวันนี้ทั่วประเทศชาติบ้านเมืองพ่อตางก็จะทุ่มเทกันใส่ บายมุกทุกประเภทที่พเจ้าองค์ไหนๆมาก็บอกว่าชีพหายทางเดียทั้งเจ้ามือเลยทั้งผู้เล่นเลยทั้งลูกมือทั้งลูกขาจะมาไมา่ยินดีด้วยหัวก็หัวหน้าแห้งเหีห่เฉยนะี่เหละม่ยินดีด้วยเพราะมันเป็นทางชิพหายไปแม่บ้านไม่เรือน งาที่ดินที่สวนยังมันต้องรับเสียจะชนะเลขก็จงไม่เล่นเลขเทะนะ่านั้นยาอื่นมาชนะมันไม่ชนะดอกรัฐบาลเขาทําก็ตามแต่ว่าถ้าเราไม่ซื้อเขาเขาไม่บังคับนี่เราโดยทิ้งใส่เขาไม่ได้รัฐบาลไปทิ้งใส่ท่านไม่ได้สุราก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดื่มก็ไม่มีกฎหมายที่จะบังคับให้เราดื่ม แล้วพจะจะทิ้งให้รัฐบาลก็ไม่ถูกอนี้เลขก็เหมือนกันรัฐบาลไม่เล่นรัฐบาลเล่นใครไม่เล่นก็มาในบังคับนะข้าเขาพูดว่าถ้าพระพิสุไม่กินเนื้อเขาก็ไม่ฆ่ากันดอกแต่พระพิสุไม่มีภรรยาทำไมเขาเอากันนักเัน <laughs> ่นเดียวกันอนะ ลูกจะแคชัดๆตัดความสงสัยทำไม่ได้ล่วงไม่ได้เว่นไม่แต่มันสงสัยอยู่มันไม่สงสัยเสียเลยอะไรมุกเนี่ยมันไม่สงสัยในจิตในใจเสียเลยว่ามันจะเป็นทางเจริญจึงไม่ส่งเสริมพิทุสัมเนมันผ่านมาแล้วตั้งแต่วันออกอัสุสมบทหรือบรรพชามันผ่านมาแล้วมันข้ามาแล้วยังจะไปส่งเสริมอันนี้อยู่ มันก็ไม่สมภาคกาสาวัส์สู้เ ข, ขาราษาเช้นห้าอยู่ว่าไม่ได้จะไปส่งเสริมอบายมุกมาค่าก่อนนั่นได้เทียงหรือจำได้เลยได้เทียงอะไรบ้างท่านในอำเภอไหค่ครับมาค่าก่อนเทียงอะไรบ้าเขียงกั กูปูหลายเรื่องเหม น, นเรื่องกรรมอะไรพ้นของกรรมหรือเมื่อมาวันก็เสียงก็ต้องตกสีเสียงทาไมเสียงหาความจริงหรือเสีงยงว่าไอคนที่มันทำชั่วมันนี่มันเลวเลยแลมันได้ดีทั้งนั้นก็เรากับเขาใครจะตายก่อนใช่ไหมเราไม่ได้มองเขาไปจนสุดวันตาย ถ้าเรามองเขาไปเรามีอิทธิพลที่จะมองเขาไปต่างเาก็ต่างมองกันตายพร้อมกันหรือสิ้นลมปรานขณะเดียวกันบางทีเาตายก่อนใช่เราก็ไม่ทันได้เห็นเขาไปทุดท้ายในชาตินี้บางทีเราก็ตายก่อนเขาชเราไปเห็นเพียงเพล็บเดียวเราก็ให้คะแนนเขาว่าเขารวยมันก็ไม่ถูกเรามองดูว่าเขาจะไปได้ขนาดไหนเรายังมาทนายมองนั่อันนี้นะความสาคัญ ถ้าอย่างนั้นผู้ที่เขาตายเขาก็บอกว่าแม่ชะม้อยมัวรวยและ้ะเพราะยังไม่ยังไม่ทันเกิดเหตุแต่ผู้ที่เรายังอยู่เราเห็นที่นี่รวยที่ไหนนั่นเขาสุกเอาเขากินเราให้คะแนนน่าเขารวยก็เพราะเรากับเขาใครจะตายก่อนเราไม่ได้สังเกตเขาจนวันตายเขาก็ไม่ได้สังเกตเราจนวันตายเอยงบางกันเพราะวิโยคพัดผ่ากันเป็น ไม่ได้มองดูจนชุดขีดนี่แต่ ว, ว่าชาติหน้าเขาจะเป็นอะไรอีกเราก็ไม่ทราบทีนี้วันพรุ่งนี้เขาจะเป็นอะไรอีกเขาจะอยู่ไปตลอดฟังขวาหรือไม่ในชาตินี้เราไม่ทนันในมองเขาใช่แล้วให้คะแนนเขาเขาจะร่ํารวยไปอยู่ถึงขนาดเก่าหรือหรือจะวิโยคพัดพากเราก็ยังมองไม่เห็นนั่น เราไปเสียใจก่อนไปให้คะแนนเขาก่อนไปคีดหึงเขาก่อนเขาทำไม่ดีบอกว่าเขารวยเราไม่เพิ่งให้คะแนนเขาละพอหาทามาในทาที่ไม่ชอบเราก็ไม่ยินดีเขามีปฏิปทาไม่ชอบเขาจะไปได้กี่วันจะมีอะไรบ้างข้างหน้ายังมองมาเห็นอีกนั่งหน้าคิดหน้าครนี่ ร้านคนหนึ่งมันมาเถียงกันกันเขาฆ่าโคฆ่ากระบือขายทำไมเขารวยนักเออเธอไปเห็นเขาแล้วหรือเขาไปนี่เป็นสินใครเธอรู้จักหรือหรือเขาไปนี่ทังเขาเป็นี่คนอื่นทั้งร้านล่านเธอก็ไม่รู้นะทุกวันนี้เธอไปเห็นแต่บ้านแต่ช่องของเขาไปเห็นที่อยู่ที่กินของเขาเห็นแต่รถแต่เรือของเขาเขายืมใครมาไม่ทราบ ที่นี่หยุดเถียงไปแล้วเห็นเขากโกโก้เก๋เก๋มียศมีบริวารแต่ว่าเขาเป็นนี่ใครอยู่อีกทันลานเราก็ไม่ทราบเออแล้วเป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นแหละเขาเป็นนี่ใครบ้างเขามีทุกอะไรบ้างแล้วก็ไม่รู้จักเขาอีกเห็นเพียงเขาแต่งตัวโกโก้เก๋กเกออ๋แล้วก็ให้คะแนนเขาเลย แต่ข้างหลังของเราของเขาอะไรบ้างเราไม่ทราบเขาหนักกาอะไรบ้างในระหว่างลูกก๊อเมียเขาก็าดีในระหว่างครับคนอื่นที่เขายืมมาก็าดีที่เขาเป็นหนี้เป็นศีลมาก็าดีเราก็ไม่ทราบเขานะเราไปให้คะแนนเท่าเลยอันนี้ก็นอกหาคนคิดเหมือนกัน เราบริสุทธิ์เรามีน้อยก็สบายเรามีมากไม่บริสุทธิ์ก็ไม่สบายนะั่นได้นของมาไม่บริสุทธิ์จะมีมากเต็มเป็นฝ้าแผ่นดินมันก็ไม่สบายใจเหมือนกันละ่ะมีเงินกลงเดียวแต่ว่าได้มาโดยบริสุทธิ์มีเกลือมีข้าวปั้นเดียวคำเดียวหรือช้อนเดียวเราก็สบายอยู่ พราะมันเป็นนี่เป็นสินไข่เพราะไม่นทะเลาะกับใครมีมากไม่สบายจิตมันจะมีประโยชน์อะไรมีน้อยแต่สบายจิตมันก็มีประโยชน์เป็นที่สบายของเราด้วยนนัน่ผู้ที่ได้มาทางทุจริตเขาจะอวดโอ้ว่าเขาเป็นคนสุขสบายสักเพียงในก็าตาม ใจของเขาเนี่ยมันเป็นอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นทุกข์อยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนเพราะเขาได้ของมาในบ่ไม่บริสุทธ์คนเราถ้าไม่สุขใจจะเอาที่ไหนมาสุขทีนี้ทรัพย์สมบัติมีมากเท่าไรใจก็ไม่สุขมีมีสมบัติน้อยแต่ว่าจิตใจสบายมันก็เป็นที่อยู่สบายเท่านั้นมีรามียอดน้อยก็าตามแต่ใจสบาย ก็พออ ย, อยู่แต่มีคนเอาอู่ทองหรือเอาเตียงคำมาหามรอบประเทศนี่แต่คิดใจเราไม่สบายมันก็ไม่ถูกอยูเหมือนกันนัน สมเด็จพระบรมลายท่านก็ลําบากเหมือนกันท่านก็ไม่พอใจเหมือนกันหมุนข้าท่านแต่เมื่อจิตใจท่านสบายแล้วมันก็ต้องสบายจะมีเงินกี่ล้านล้านถ้าจิตใจไม่สบายแล้วก็หาความสุขไม่ได้จะมีราำมียศสักเพียงใดก็าตามถ้าจิตใจไม่สบายก็ไม่เป็นสุขเพราะผู้รับสุขรับทุกข์เป็นจิตใจอันเดียว คนอื่นไม่มาแย่งรับด้วยตามหูจมูกเลี้มันก็แม่มาแย่งมันมีหน้าที่แขกเก็บตายมันก็ไปตามเรื่องมันน่ะนี่พื้นที่เปนข้อสำคัญคนเรามันด้ถึงทุกคนไดถึงทางดีมันก็ได้รับผลดีไดถึงทางชั่วก็ได้รับผลชั่วทั้เหตุก็ผลมาอยู่กลาห่ากันพอเก้าเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุฟังผลก็ฟังเหตุสงสัยผลก็สงสัย เหตุไม่สงสัยผลก็ไม่สงสัยนัผลของเหตุมันให้กันให้คะแนนของเหตุอยู่ทุกอิริยาบถทุกวินาทีแล้วลืมตาก็เห็นนันี่ก็ผลหลับตาผลก็มืดนั่นเฮ็ดพูดผลก็พูดเหตุฟังผลก็ฟัง เตุสงสยัยผลก็สงสยัยเหตุไม่สงสยัยผลก็ไม่สงสยัยนั่นไม่อยู่ไกลกันพอวินาทีเลยพวกลักซกจบหอก็เหมือนกันเขารวยพวกลักไยรักถอนเขารวยไปกี่วันทีนี้ เขาใจถึงทางนั่นเขารวยไปกี่วันแต่ก็ไม่พ้นเขาเฉือนคอเหมือนกันนั่นถ้าพ้นของกรรมมีอยู่ถ้าพ้นของกรรมไม่มีใครก็ไม่นับถือพระพุทธศาสนาละโดยเฉพวะคนนับถือแบบบ้าๆเชื่อกรรมและพ้นของกรรมจึงยอมนับถือพระพุทธศาสนาถ้งมันยึดตาเป็นผู้รู้จักเหตุเขนรู้จักว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ อัธรยูตาเป็นผู้รู้จักผลรู้จักกนน่อต้นผลในเหตุอันนี้กนน่อต้นผลในเหตุอันนี้เหตุของคิดของใจผลของคิดของใจอันเก่าเองนัก เ, เหตุชมาทาพร้อมด้วยเหตุผลชมาทาพร้อมด้วยผล ทุกๆไม่ได้เกิดมา ล, ายลอยๆเกิดมาตามเหตุตามผลที่สร้างขึ้นไว้ในชาตินี้ก็ดีชาติก่อนก็ดีหรือในวันนี้ก็ดีในวันก่อนก็ดีไม่ได้เกิดมาแบบ ล, ยลอยๆทุกๆเกิดมาตามเหตุผลของกิจของใจที่สร้างขึ้นท่านบอกว่ากรรมมาคุณ แต่อจตมาเปลี่ยนชื่อหมายว่าการม ม, ม, ามมาโทษไม่มีคณการมมาโทษการมมาโทษนี่คนหนึ่งเมียไม่รู้ว่ากี่คนลูกก็ยาายยังกันอยู่ทุกคนทุกแห่ง เดี๋ยวก็เยียบลูกคนนั่นเดี๋ยวก็เงียบลูกคนนี้เดี๋ยวก็เยมภรรยาคนนี้ภรรยาคนนั่นนัดแกตายนักแกนะการมาโทษสนุกปีสนุ ก, นกเอาล่างกระดูกกอดล่างกระดูกแล้วก็ถือเป็นของสนุกอเอาดินน้ําไฟลมถูกัน เราถือเป็นของสนุกใช่แต่มันเป็นทุกข์ความจริงของมันเป็นทุกข์มีภรรยามากหลายคนก็ยิ่งทะเลาะกันเดีย๋ยวหลับเมียนั่นเดี๋ยวรักเมียนี่เดี๋ยวขึ้นเมียนั่นเดี๋ยวขึ้นเมียนี่ถ้ามเมียผู้ใจโหดได้มันก็ทำอันตรายเรามีน้ำซ้ำ ม, มันเบืออ่อหรือม่หาอุบายฆ่าเราอีกเพิ่มกัน มันก็เป็นทุกข์หัวใจอยู่อย่างนั้นใครๆก็เหมือนกันอยากทุกข์ก็ให้เอาล้ายมีอ่ะอยากเสียเงินบ่อยๆก็ให้เล่นเลขถูกว้ะ <c oughs>